ช่วสุดท้ายท่านกล่าวถึงพระบรมศ า, ศาสดานั้นพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยสที่ไม่ต่ํามีแต่ชั้นยอดทั้งนั้นแม้แต่พระบรมศาสดาท่านจะทรงแสดงพระธรร ม, มเทศนาแก่บุคคลคนเดียวก็ดีแสดงแก่หลายคนก็ดีก็ล้วนแต่ทรงถือเอายอดอาราชคนเท่านั้นก็หมายความบอกว่าวาระพระธรร ม, มเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงเป็นไปตามลําดับเริ่มตั้งแต่ พูดถึงในเรื่องของจุรสินมชิมศสินมาศีลหรือพูดในเรื่องของศีนพูดถึงในเรื่องของปาติโมกสังวานศีลอินทรีย์สังวอ น, ว น, ว น, วนเป็นต้นจนถึงสติสัพชัญญะในฐานะเจกพูดถึงในเรื่องของสันโดดการละนิวรพูดถึงปฐมฌานทุวิทฌานตติฌานจตุฌานจนถึงอรูปฌานแล้วก็ต่อในวิปัสสนาฌานทั้งหลายที่พระบรมศ า, ศาสดาทรงสแสดงนั้นก็เพื่อให้สัตว์นั้นบรรลุอรรถผล แต่ก็ดังที่ได้กล่าวแล้วนะแต่สัตว์นั้นน่ะมีอุปนิสัยที่แตกต่างมาสั่งสมมาไม่เท่ากันบางพวกก็ไม่สามารถจะจับทางในการที่จะบรรลุมรรคผลเป็นต้นได้ก็จะทรงขับฟังรมแล้วก็ได้อัธยาศัยในการที่จะตั้งไว้เพ่อจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดสัจจะคือทุกเป็นต้นบ า, บางพวกก็เป็นพระโสดาบันบางพวกก็เป็นพระสกทาคาบางพวกก็เป็นพระนาคาบางพวกก็เป็นพระทหารก็แตกต่างกันนะ ฉะนั้นท่านก็เลยอุปมาว่าพระพุทธเจ้านั้นอุปมาเหมือนกับพระราชาเวนยสัตว์เวนยชนเนี่ยนะคำว่าเวนัยสัตว์ก็ดีเนี่ยหรือเวนยชนก็ดีนั้นเน่ยเขาแปลว่าสัตว์ที่ประกอบไปด้วยวินัยสองประการคือสังวรวินัยแล้วก็ปะหานวินัยพอสังวรวินัยก็คือว่าสัตว์นั้นมีสังวรหมีปฏิโมกสังวรใช่ไหมอินทร์สังวรวิริยะสังวรขันติสังวรแล้วก็ญาณนาสังวร ส่วนว่าวินัยเนี่ยประหารวินัยก็คือตทางกปาาปาปาปป็ประหารวิขำพรนประหารสมุเฉทประหารปฏิปัสธิประหารแล้วก็นิสระนาประหารส่วนรายละเอียดตรงนั้นก็กล่าวมาแล้วตรงนี้อันมาก็จะไม่กล่าวในรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างอย่างไรนี่นะนั่นแหละเราท่านทั้งหลายมีเขาเรียกเวัยนยสดเวนยชนหรือเวนัยศัสตร์คือศาตร์ที่มีวินยัย2ประการนะ ทีนี้พระพระภูมิภาคเจ้าเนี่ยนะเหมือนกับพระราชาเวเนยศัสตร์ของพระองค์ก็เหมือนกับพระราชกุมารคือพวกเราเป็นราชกุมารใช่ไหมราชกุมารก็มีหลายประเภทในเวลาสวยพระขยาหารพระราชาก็ตักตักก้อนข้าวตามขนาดของพระราชกุมาร น, นะเช่นพระราชกุมารองค์ใหญ่ก็ตักก้อนตักข้าวให้คำํำใหญ่องค์เล็กๆ ก, ก็ตักให้คําเล็กๆ ฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นก็ได้รับขนาดที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจะเปรียบเทียบพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสด า, า, า, าก็เหมือนกับข้าวเหมือนกับอาหารพระพุทธเจ้าตักอาหารใช่ไหมให้กับเราท่านทั้งหลายซึ่งขนาดที่เราจะ ก, กินได้จะรับประทานอาหารได้ของแต่และบุคคลนั้นไม่เท่ากันบางท่านเนี่ยนะยางยกตัวอย่างเช่นว่าพระสารีบุตรเนี่ยท่านสามารถรับประทานในก้อน โตก้อนใหญ่กว่าเพื่อนท่านก็ได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาบางพระโมคคัลลานะก็เล็กลงมานี่เป็นต้นเมมหาสาวกตลอดถึงเกี่ยวในเรื่องของอาศิติมหาสาวกตลอดถึงปกติสาวกแม้ต่ำสุดระดับเป็นผู้บรรลุนี่นะในทางนั้นก็คือสุขาวิปัสสัาค์่านพระองค์ก็ตักให้พอเหมาะสมแก่อธัธยาศัย แอย่างเราท่านทั้งหลายถ้าพูดถึงเราเป็นราชกุมารก็ต้องเป็นรา ช, ก, าราชกุมารที่อ่อนแอมเป็นราชกุมารที่ยังซุกซนมากเด็กมากด้วยพระเจ้าพระราช า, ชาเลี้ยงบุตรกองท่านเ น, นี่ยนะราชกุมาร น, นั้นจะตักอาหารได้เราทําท่าอจากินเราก็ไม่กินก็วิ่งเล่นก็เรียกกลับมาใหม่ในสังสารวัตรที่ผ่านมาพระเจ้ า, าไม่รู้กี่องค์เรียกมาเราไม่ก็กินตัวที่เขวิ่งไปบางทีเราก็ลิ้มลิ ม, บ, ม บ, บ, บ้างยิไม่ก็ได้รสบ้าง เราก็ได้หูวิผัดทนี้รสชาติดีนิดๆหน่อยๆไม่ได้อิ่มไม่ได้ได้ไดอะไรสักมาระเขาเลยในสังสารวัตที่ผ่านมาเป็นนี้อยู่เราไม่ได้เราเลยประชุมโสดาบันิมังกสกา่าทาครรมักนาคารมักอารามักลงสู่กระแสขันไม่ได้เลยเข้าใจอย่างเดี้ยนี้เลยท่องเที่ยวไปมาในสังสารวัตอย่างยาวไกลอันนี้ก็ไม่รู้จะไปกันอีกเท่าไหร่ใช่ไหม ทั้งที่จริงพระเจ้าก็ทรงถือเอาระดับยอดของระดับนุนเทศนาซึ่งคุสมควรเดียัธยาศใสาของพระองค์เท่านั้นเพราะพระองค์นั้นมีอนุปาทาปรินิพานเป็นอัธยาศัยเวไนยสัตว์ทั้งหลายต่างก็รับเอาโสดาปติผลสกาธาคามีผลนาคามีผลเรื่องหรือแต่ผลนั่นแหละจากพระธรรมเทศนานั้นๆโดยปริมาณของโดยปริมาณของตามประมาณของอุปนิสัยของตอนเองอันนี้ก็ไปพิจารณาส่วนเท้าเธอ คือท้าสก่าเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพรวกรมัสาสดาจบลงมาถึงช่วงนี้แล้วเท้าเธอก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วพราะได้เป็นพระโสดาบันเสร็จเท้าเธอคือท้าสก่านั้นก็จุดติตายเดียวนั้นเพราะอายุหมดพอดีเลยว่าเสียวไหมละ่ะพอบรรลุเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ได้จุดติคือหมดอายุไขกรรมที่ทํามาในการจะเป็นเท้าสก่าจบลงตรงนั้นพอดีแต่ด้วยกุศลกรรมที่ทําใหม่ด้วยหน้าของโสดาปริมาศและอัตยาศัยอะ ที่น้อมไปต้องการอยู่หน้าที่เดิมนะตายก็เกิดก็เดียวนั้นเลยเทพบริษัทนั้นในจํานวนต้องเฉพาะนางสนมกํานันทั้งสามกฎครึ่งเนี่ยไม่พูดต้องไม่ต้องพูดถึงพระาชบริบาลตัวหไม่รู้เลยเท้าวสกะองค์เดิมตายแล้วแล้วท้าวสกะเกิดใหม่แล้วดูจุดตีและปฏิสนธิที่รูปไม่เปลี่ยนเลยในสายตาของมนุษย์เนี่ยไม่เห็นความเปลี่ยนในความรวดเร็วของรูปขัน เวทนาสัญญาสังขารมียานขันไม่ต้องพูดถึงนะความรวดเร็วของจิตกระแสะจิตแต่และกระแสะจิตที่มันเกิดดับติดต่อกันเร็วมากระนิ้วมือหนึ่งเกิดดับมากกว่าเท่าไรแสนโกดแสนโกดขนาดดีนิ้วข้างเดียวเนี่ยรูปนั้นเกิดดับมากกว่าห้าห้ามื่นโกดครั้งใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามาดูอย่างนี้เราจะเห็นความรวดเร็วเาไม่ แต่บุคคลที่รู้คือท้าวสกะรู้เปาะแรกพระพุทธเจ้าก็ทรงย่อมก็ย่อมไม่ปรากฏย่อมเป็นไปเหมือนกับเปลวปราศจากไฟที่ปราศจากเปลวเนี่ยนะฉะนั้นพวกเทพที่ยังเหลือจึงไม่ทราบกันส่วนท่านที่ทราบมีอยู่สองท่านก็คือท้าวสก่าที่ท่านที่ตายเองอ่แล้วก็พระบรมศาสดาทรงมีพระยานที่หาอะไรมาปกปิดกันไม่ได้ลำดับนั้นท้าวสก่ ก็คิดว่าก็พระบรมศสาสดาทรงแสดงผลความเกิดขึ้นในสามสถานนะเท่านั้นแก่เราส่วนมรคและผลนี้ไม่มีใครห่อไปเอาได้เหมือนนางลกอันการถือเอามรคหรือผลนั้นพึงได้ด้วยข้อปริบัติเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งมรคและผลอันจะต้องต้องมาตามมาเอาเถิดเราจะทูลถามข้อปริบัติอันเป็นส่วน เบื้องต้นของพระคีณาศพในเบื้องบนให้ได้เห็นไหมคือเท้าเธอนอกจากบรรลุเป็นพระโสดาบันเบ็ดเสร็จแล้วเท้าเธอก็ถามต่อไปถามส่วนเบื้องต้นที่จะเป็นปัจจัยการปฏิบัติให้ได้สะกะทาทามีมรรคานาคามารรคธรรมเะเข้าใจใช่ไหมนี่เป็นส่วนเบื้องต้นเท้าเธอก็เลยถามเลยก็ถามเรื่องกายสมาจาร โดยการแยกเป็นสองก็คือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเป็นต้นแล้วเนี้ยคือท้าวสกาถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกถามนี่นะก็ภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อการสํารวมในพระปาติโมกถามเลยถามเรื่องข้อปฏิบัติคําว่าปาติโมกขสังวรนี่คำว่าปาตนะิเนี่ย ปาตานี่ปาตีนี่แปลว่าตกไปหรือปาตีอ่ะแปลว่าตกไปใช่ไหมมามันตกไปสองส่วนถ้าตกไปสู่อาบายภูมิก็เป็นปาตีอย่างนี้เหนกะัหรือตกไปในสังสารวัตรก็พวกปาตีอย่างนั้นเน่ยอย่างเราเนี่ยเป็นพวกที่ตกไปในอาบายภูมิด้วยแล้วก็ตกไปในสังสารวัตรด้วยเราพ้นจากความเป็นปาตีอย่างยังเลยใช่ไหม ปาติโมกมก ข, ขาเนี์แปลว่าหลุดพ้นนั้นหลุดพ้นจากการตกไปในใบยภูมิบ้างหลุดพ้นจากการตกไปในสังสารวัตรบ้างถ้าอย่างคนที่เป็นวสดาบันเนี่ยแปลว่าท่านหลุดพ้นจากการตกไปในอบาบยภูมิแล้วเราท่านทั้งหลายเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่จะต้องตกไปในอบาบยภูมิด้วยสังสารวัตรไม่ต้องพูดถึงอีกนานเนี่ยนะ ฉะนั้นถ้าไม่ปรารถนาจะตกไปในอายภูมิและในสังสารวัตรก็ต้องสำรวมในปาฏิมโมกถ้าทำความเข้าใจอย่างนี้ยนี่ด้วยความนะอธิบายด้วยความก็ไปแยกสามมันเยอะเดี๋ยวไปดึงในดีกาในสารถทีปณีดีกาพระในมาโอ้โหยิ่งยาวใหญ่เลยคือตรงนั้นเอาไว้ขยายคุยกับพระสะดวกดีกว่าเยอะใช่มเพราะพระจะมีเวลาในการ ศึกษาคำสอนในยากอย่างเราทั้งหลายก็เอาหยาบๆอย่างนี้พอให้รู้ความหมายไงด้อยอัธย้ชัดแต่ไม่ผิดไปอย่างนี้นะฉะนั้นปาฏิโมกสังวรศินก็คือกายสมาจารวจีสมาจารแล้วก็ปริเยสนาในที่นี้ก็คือกายสมาจารท่านพูดถึงมารยาทางกายเท้าเธอก็ถามเลยบอกภิกษุปฏิบัติอย่างไรเออจึงจะชื่อว่าปฏิบัติแล้วด้วยการสํารวมบริโมก เออทำยังไงเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติแบบในสํารวมในปฏิโมกสังวรศีลปฏิโมกสังวรศีลในที่นี้ท่านพูดถึงศีลเนาะท่านพูดถึงศีลเอ่อพอพูดถึงปฏิโมกสังวรศีลท่านพูดถึงเจตนาศีลพูดถึงเจตสิกศีลสังวรศีลนวิติกามพ่อพูดถึงปฏิโมกสังวรศีลเนี่ยการสํารวมในปฏิโมกนั้นที่พูดถึงตัวศรัทธาที่เป็นประธานของศีลถ้าไม่มีศรัทธานในจบเข่าไหมถ้าไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นต้น ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการที่จะมอฟดิบัติ <Okay. S 1> ท่านก็พูดในเรื่องของการสมาจาร์พก็พูดถึงเรื่องว่าจีสมาจาร์แล้วก็พูดเรื่องการสแสวงหากายสมาจาร์มีสองอย่างท่านแยกเป็นที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเราเข้าใจคําว่าควรเสพและไม่ควรเสพใช่ไหมควรเสพก็คือนะฮะนั่นแหละแล้วไม่ควรเสพก็คือไม่ควรไปไง่งที่ท่านก็บอกดูก่อน ไวจีสมาจารก็มีสองอย่างที่ควรเสพและไม่ควรเสพการสแสวงหาก็มีสองอย่างคือที่ควรเสพและไม่ควรเสพพราะบรมศา ส, สดาก็สอนว่าดูก่อนจอมเทพอัตรมาภาพกล่าวว่ากายสมาจารแยกเป็นสองส่วนที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีกาที่กล่าวถึงกายสมาจารดังนี้กล่าวด้วยอาศัยเพราะอาศัยอะไรในกายสมาจารสองอย่างนั้นบุคคลทราบกายสมาจารอันใดแล้วเมื่อเราเสพกายสมาจา ร, ารนั้นอัศวธรรม จเจริญขึ้นคือโลภะโทสะโมหะเจริญขึ้นกุศลธรรมคือความไม่โลภไม่โกรธเนี่ยนะเสื่อมลงเนี่ยกายสมาจารเห็นปานนั้นไม่ควรเสพอย่างนี้ไม่ควรเสพบุคคลพรึงทราบกายสมาจานั้ในใดว่าเมื่อเราเสพกายสมาจานนั้นแล้วอกุศลธรรมคือโลภะโทสะโมหะเสื่อมกุศลธรรมคือความไม่โลภไม่โกรธและปัญญาจเจริญกายสมาจารเห็นปนนั้นควรเสพ ดูก่อนจอมเทพอัรรมภาพกล่าวว่าการสมาจาร์ได้ยแยกเป็นส่วนคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีที่กล่าวถึงการสมาจารดัง น, นี้กล่าวเพราะอาศัยข้อนี้อันนี้กล่าวถึงในเรื่องของการสมาจาร์ก่อนเนาะการสมาจาร์นั้นพูดในเรื่องของปฏิโมกสังวรพระบรมศาสดากล่าวบอกว่ากระทั่งปฏิปันโนมาริสะมาริสานี่นะดูพระ อ, องค์ผู้นรทุกเนี่เท่าเธอถาม ถาเพื่อสํารวมในพระปฏติโมกมาจากคำว่าปาติโมกขสังวรายะเนี่ยสํารวมในศีลที่สูงสุดและศีลที่เจริญที่สุดไอคำว่ากาวกายสมาจานนั้นพระบรมศ า, ศาสดาตรัสเพื่อแสดงถึงความสํารวมในพระปาติโมกเรื่องนาจของมารยาททางกายที่ทรงเสกก็หมายความว่าจะทําให้กายกรรมทําให้กายกรรมที่เป็นไปกับกุศลนั่นเองทํากายกรรมที่เป็นไปกับกุศล ก็ค่อยคําที่เกี่ยวกับสีนี้ย่อมเป็นกล่าวด้วยอํานาจของกรรมบทหรือด้วยอํานาจแห่งการที่ทรงบัญญตัติในกา ร, รบทและทรงบัญญัตินั้นผู้ที่จะกล่าวด้วยอำนาจแห่งกรรมบทต้องกล่าวถึงมารยาทางกายที่ไม่พึงเสพด้วยการฆ่าใช่ไหมเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมทั้งหลายก่อนเมื <ME AR> ่อจะกล่าวด้วยอำนาจแหงการพระบัญญตัติด้วยการบัญญัติเนี่ยก็ต้องกล่าวด้วยอำนาจการละเมิดสิขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ในกายกายธวาร ต้องกล่าวถึงมรารยาททางกายที่พึงเสพด้วยเจ ต, ตนาเครื่องเว้นจากการฆ่าสัตว์เจ ต, ตนาที่เป็นเครื่องเว้นจากการลักทรัพย์เจ ต, ตนาที่เป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมเราจะบอกเป็นเครื่องเว้นก็ได้เป็นความงดเว้นก็ได้ใช่ั้ยเป็นสภาวะที่งดเว้นได้ไหม <S <S ได้เพราะเจ ต, ตนาชื่อว่าศีลเน่เจ ต, ตนาที่งดเว้นจากการฆ่าเจตวนาที่งดเว้นจากการลัก เจตนาที่งดเว้นจากการประพฤติผิดในการเจตนาศีลเป็นปฏิโมกขสงวนศีลได้ไหมได้นะทีนี้ในด้านของเจตนาในการที่จะประพฤติวัดต่างๆอันนั้นก็ก็ะเด็าอำนาจการบัญญัตินะเช่นบอกว่าและด้วยการลำเมิดสมัยว่ามารยาททางวาจากล่าวยังไงตรงนี้ถามว่าเป็นวจีสมาทานเลยนะ ดูก่อนจอมเทพอาตมาภาพกล่าวว่าจีสมาจารได้สองอย่างเนาะที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีในสองอย่างนั้นเพราะบุคคลพึงทราบว่าจีสมาจานันใดที่เสพแล้วกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมว่จีสมาจานั้นไม่ควรเสพบุคคลทราบวจีสมาจานันใดว่าเมื่อเราเสพวจีสมาจาันนี้แล้วกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญว่จีสมาจารนั้นก็ควรเสพ แล้วก็บอกว่านี่ไงท่านแยกเป็นสองด้วยอาการอย่างนี้ส่วนปริเยสนาท่านก็พูดเป็นสอง้าวปริเวปริเยสนานี่พูดถึงในเรื่องของอาชีวะปริสุทธิ์ศีลคือการสแสวงหาที่ประเสริฐและไม่ประเสริฐท่านก็บอกสองอย่างในการสแสวงหาที่ควรเสพและไม่ควรเสพอาศัยลายกล่าวบอกบุคคลทราบการสแสวงหาใดเมื่อเราเสพการสแสวงหาอย่างนี้แล้วบาปเกิด เราพาตัวสามมหามันยิ่งจเจริญขึ้นแต่กุศอมันเสื่อมการสแสวงหานั้นไม่ควรเสพสมมติขายของยมมอมบางคนไปขายของขายแล้วได้แต่บาป ท, ทุกวันควรเสพไหมแล้วควรขายไหมอา้าวตายล้วจะอยู่ได้ไงชีวิตทำไม่ทํามากินถ้าไม่ทามากินจะอยู่ได้ไงอา้าวถ้าพระถ้าอาตรมาไปบินรบาดถ้าไปบินรบาต แล้วโรภาโทวสามมันเกิดถ้าหยุดบินแล้วมันไม่เกิดอันมาไม่บินนะมันมจะมีกินไหมแล้วจะทํายังไงคําว่าควรเสพหรือไม่ควรเสพก็คือว่าแปลว่าเราวิจัยผิดแล้วที่เราเดินบินทบาทแล้วให้โรพาโทวสามโมหะมันกินเนี่ยถ้าสมมติมันมีทางหลายทางใช่ไหมไปทางนี้ทีไรโรภาโทวสามโมหะมันเกิดไปทางอื่นไม่ไปเราก็อย่าไปทางเนี้เข้านะใจไหม ก็เปลี่ยนทางเดินใหม่แต่ถ้ า, าก็าเปลี่ยนมันก็ยังเกิดอยู่ไม่ใช่อยู่ที่ทางแล้วอยู่ที่ใจแล้วใช่ไหมอยู่ที่การวิจัยอยู่การพิจารณาต่างๆนี่ก็ต้องพิจารณาอย่างที่ถูกอทําทราชการไปงานที่ไรไปทํางานที่เป็นเอเป็นราชการไปทํางานที่ไรรง 5, 3, มาตรวจสอบคามกูดค้นเซ็บไหมเหม่ก้นเซฟบอน่นก็ลาออกได้ไห ม, มลาออกคิดผิดใช่ไหมก็ต้องคิดมันถูก ลาออกไม่ได้เนะลยเนาเป็นมแมลงวันติดงบน้ำมอยไปแล้วต้องบินไปตอมทุกวันได้ชื่นใจจริงๆก็คือว่าเสพพิจารณาใหม่พิจารณาเพื่ออะไรบุคคลแสวงหาแล้วเมื่อเสพสิ่งนั้นแล้วกุศลธรรมเจริญนะกุศลธรรมเสืมอมเนี่ยคอนเสปในลักษณะอย่างนั้นนี่ท่านกกล่าวในลักษณะอย่างนี้ก็ไว้ ก, วก็เพราะอะไรท่านกล่าวถึงว่าวาจา มารยาททางวาจาคืออะไรคือเจตนาและด้วยการไม่ละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ด้วยเกี่ยวข้องกับกายทวาร น, นั้นส่วนหนึ่งเนาะถ้ากล่าวถึงมารยาททางวาจาก็ไม่พึงเสพด้วยการประพฤติวาจาที่ผิดพลาดมีการพูดเท็จส่อเสียดคําหยาบแล้วก็เพ้อเจือแล้วกับการละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้เกี่ยวกับคำพูดพระเจ้าบัญญัติไว้หมดนะว่าถ้าอย่างพระเนี่ยพระ อ, องค์จะบัญญัติศิกขาบทเกี่ยวกับเรื่องคำพูดว่ากรณีาการพูดเนี่ย ว่าพูดในลักษณะนี้เป็นการพูดเทศอย่างนี้คือพูดซ้อเสียดคําหยาเพื่อเจอเป็นต้นเหล่าเนี้ยให้สังเกต ด, ดูด้วยว่าลักษณะอย่างนี้เป็นการสํารวมกายและสํารวมวาจาท่านเขาเรียกปฏิโมกสังวรและยังไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมยังพูดถึงเรื่องการแสวงหาด้วยสําหรับการแสวงหาได้แก่การแสวงหาด้วยวด้ว ย, ด, วยด้วยกายและด้วยวาจาการแสวงหานั้นเป็นอันถือเอาแล้วด้วยศัพท์คือมารยาททางกายและมารยาททางกาย ชื่อว่าศีนั้นมีอาชีพเป็นที่แปดย่อมเกิดขึ้นแต่ในสองทวาร น, นี้เท่านั้นไม่ใช่เกิดขึ้นในอากาศใช่ไหมสี น, นี่จะเกิดขึ้นลอยๆในอากาศได้ไหมมันเกิดขึ้นจากสองทวาร น, นี้เท่านั้นะคือกายทวารวจีทวานเนี่ยนะปิดบาปทางกายยทวารทางวจีทวานเหมือนการแสวงหาก็ใช้กายยทวารและวจีทวานนี่แหละเป็นตัวสื่อออกมาในการแสวงหา แต่บาปมันเกิดที่ใจแต่ทวารในการทางกรรมนั้นมันต้องอาศัยสื่อมาทางกายและทางวาจานี่เน้นที่ออกมาทางกายทางวาจาแม้ไม่อาศัยกายและไม่อาศัยวาทางวาจาเลยทางมโนุทวารก็เป็นทวารกรรมปิงด้นได้ก็เรียกมโนกรรมเราเนี่ยมันมีกรรมอยู่สิบทางเนอะใช่ไหมกายกรรมสามวจีกรรมสี่และวก็มนกรรมสามเขาเรียกว่ากรรมมาบทสิบเนี่ยเป็นกุศลกรรมบทก็ดีไปแต่ถ้าเป็นอกุศลกรรมบทเนี่ยมันก็เสียหายเลย เพราะกรรมมาปฐาในประถานแปลว่าทางใช่ไหมทางในการที่จะให้กรรมมันเดินทางที่จะทําให้กรรมมันเดิน่ยมีอยู่สิบทางจะให้กุศลเดินก็ได้จะให้อกุศลเดินก็ได้ใช่ไหมเจตนาที่เป็นไปในส่วนการงดเว้นจากปาณาติบาตอธินาทานกามเมศสมิชฌาจาร์มุสาวาตปิสุนาวาจาพุรุสวาจาสัมผัส ป, ปะปาอภิชาพยาบาทมิชาทิฏฐิอันนี้เป็นอกุศลกรร ม, มบทสิบ ถ้างดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อไม่พยาบาทไม่โลภแล้วก็ไม่เห็นผิดอย่างนี้ก็เรียกว่ากุศลกรรมมาบท10อันนี้ก็ทางใงการเจริญบุญมันเป็นอย่างนี้เจตนาในการที่จะฆ่าอันนี้พูดถึงเรื่องเจตนาก่อนนะเจตนาชั่วศีลและเจตนาก็เป็นกรรมด้วยอ่าทำไมถึงเป็นกรรม เจตนาเป็นกรรมในที่นั้นเขาเรียกว่าพีชานิธานกิจเป็นตัวเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อความเจริญเกิดผลในอนาคตแปลว่าทุกขนาจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าเราได้เพาะ อ, อะไรเพาะเมล็ดลงแล้วใช่ไหมเพาะลงในดินแล้วเราได้เพาะเมล็ดพันธุ์นั้นลงแล้วเมล็ดพันธุ์นั้นก็เพื่อการเจริญแตกหน่อ นอแตกออกมาก็มีลําต้นมีกิ่งมีใบมีก้านมีสาขาแล้วก็ออกดอกออกผลตอนนี้ไงที่เราดีนิตาหูจะบวกลิ้นกายใจมาเนี่แปลว่าเมล็ดนี้มันจเจริญออกมาแล้วตอนนี้มันจะร่วงอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมแปลว่าเนี่ยมันมันเป็นผลแต่ตอนเนี้ยเมื่อเราได้ผลสิ่งนี้มาเบเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้อะตอนนี้มันก็มเมล็ดมันก็เยอะมันก็ร่วงทุกวนันอ่ ะ, มะเมล็ดอันเนี้ย แปลว่ามันเพาะเมล็ดไว้ทุกขนาดจิตเราท่านทั้งหลายไม่มีขนาดไหนเลยนะเนี่ยย้อนสุภณนงที่จะไม่ทํากรรมอะแล้วเพาะเมล็ดลงตลอดแต่เมล็ดที่มันเพาะลงนั้นเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเราสังเกตอย่างนี้ให้สังเกตนี่นะที่บอกว่ากายกรรมไม่เคลื่อนไหววิจกรรมก็ไม่พูดออกไปมโนกรรมเดินไหมกรรมสมมติทางมโนกรรมเนี่ยระวังถ้าหากใครควรไม่เป็นนะสมมติมาเกิดความโลภ ก็มาเกิดความโลภแล้วก็น้อมอยากจะมาเป็นของของตัวเองนี่นี่สำเร็จเป็นกรรมบทเลยนะเนี่ยเนี่ยกรรมนี้เสร็จแล้วเนี่ยมโนโกรรมเสร็จแล้วครบกรรมบวเนี่ยถ้ากรรมนี้ให้ผลลงมาใภูมในดีเนี่ยไอามาคิดว่าแหมอยากจะให้ใครวิบัตซะนี่ปลาถนาให้เขาวิบัตไปตามที่อามาคิดแล้วอาฆาตมาโกรธอยู่เงี้ยไอเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยพยาบาทเห็นไหมเอาสมมติเขาเขากําลังเขากําลัง กำลังเย่อเย่อกันนี่ไหมปกระดมอะไรกันหลายฝ่ายว่าก็ไม่เถอะเวลาบกเอาเลยดีแล้วดีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทํากรรมร่วมใช่ไหมโภใช่ไหมโภปลุกโภทากรรมเนี่ยนะถ้าเป็นปฏิบาตเนี่ยนะปาฏิบาตคนทําเนี่ยสัตว์นรกใช่ไหมนี่เป็นคําสอนเลยนะเป็นพุทธพจน์เลยนะคนถูกบังคับให้ฆ่า ให้กระทากรรมเหล่านั้นก็เป็นสัตวดรัจฉานเห็นดีด้วยที่เขาทาเป็นเปรตจะมีคติแบบเนี้ยไม่ได้ไปร่วมอะไรเขาเลยใจเห็นดีเชียร์โอยดีดีดีใช้ได้ใช้ได้เห็นด้วยเห็นด้วยเนี่ยเป็นเปรตดูคติดิฉะนั้นอันนี้เป็นพุทธพจน์ไม่ใช่ว่ามามาพูดเองทีนี้การแสวงหาที่ท่านพูดถึงในลักษณะอย่างนี้ท่านพูดถึงอาชีพนะอาชีวะอาชีวะธรรมกสีณ ศีลที่มีอาชีพอาชีวะเป็นที่แปดศีลที่มีอาชีวะเป็นที่แปดนะที่ท่านพูดถึงปฏิโมกขังวรศีลกับศีลที่มีอาชีวะเป็นที่8ดมันเป็นเดียวกันเข้าใจไหมมาคือว่าปฏิโมกขังวรศีลก็คือสํารวมกายกรรมวจิกรรมใช่ไหมแล้วก็อาชีพที่บริสุทธิ์นั่นแหละคือปฏิโมกขังวรศีล ย่อมเกิดขึ้นแต่ในสองทวารนี้เท่านั้นไม่ใช่เกิดขึ้นในอากาศฉะนั้นพระบรมศาสดาตรัสการแสวงหาไว้แผนหนึ่งต่างหากเพื่อแสดงถึงศีลที่มีอาชีพเป็นที่8ดในการแสวงหานั้นไม่พึงกล่าวถึงการแสวงหาที่เสพด้วยการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐพึงกล่าวถึงการแสวงหาที่บึญเสพด้วยการแสวงหาที่ประเสริฐนะสมจริงดังที่พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการแสวงหามี2ออย่างคือการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐหนึ่งและการแสวงหาที่ประเสริฐ ภิกษุทั้งหลายก็การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเป็นเช่นไดนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ตัวเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังแสวงหาความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละตัวเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังแสวงหาความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นแหลตัวเองเป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังแสวงหาความเจ็บไข่อยู่นั่นแหละ ตนเองเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาความตายเป็นธรรมดาตนเองเป็นผู้มีความโศกเป็นธรรมดาก็แสวงหาความโศกอยู่นั่นเองตนเองเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็แสวงหาความเศร้าหมองอยู่นั่นเองตนเองเป็นผู้มีสังเกตเป็นธรรมดายู่ก็ยังแสวงหาความเป็นผู้มีสังกิเลตเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละพิสูุทั้งหลายอะไรเราเรียกเเป็นรียกว่าเป็นการแสวงหาความเกิดเป็นธรรมดาแสวงหาอะไรเรียกว่าแสวงหาความเกิดพิสูุทั้งหลาย การแสวงหาลูกการแ <ulously, S 1> สวงหาเมียลูกเมียเนี่มีความเกิดเป็นธรรมดาการแสวงหาคนใช้หญิงคนใช้ชายก็เป็นสถานการแสวงหาความเกิดเป็นธรรมดาการแสวงหาแพะแสวงหาแกะก็มีความแสวงหาเกิดการเกิดเป็นธรรมดาแสวงหาไก่สุกรเนะไก่สุกรช้างม้าวัวควายลามีความเกิดเป็นธรรมดาเงินทองมีความเกิดเป็นธรรมดานกพิษสูตรต่งหลาย สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรดาเหล่านี้เป็นตัวอุปธีทั้งหลายอุปธิก็คือสภาพเครื่องเข้าไปทรงสัตว์ให้ตั้งไว้ในทุกเป็นอุปธีเนี่ยเป็นอะไรเป็นที่ตั้งของกามูปธิอุปธีคือกามเป็นที่ตั้งของขันธูปธิคืออุปที่ในการได้รูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันธ์เป็นที่ตั้งของอภิสังขารูปธิอุปธีคือกาเจตนากรรมใช่ไหม ในการทำบุญและทำบาปเป็นต้นเป็นที่ตั้งของอะไรอีกขันธูปทิกีเรศูบัติเป็นที่ตั้งของกีเก่เดคือราฆาโทสามโมหาเป็นต้นด้วยใช่ไหมใช่นี่เป็นที่ตั้งของอุปธิสแสวงหาไปที่สแสวงหาความเกิดเพราะการแสวงหาเงินสแสวงหาทองเป็นต้นเนี่ยก็มีความเกิดเป็นธรรมดานะสแสวงไปที่ใช่ไม่ใช่สแสวงหาไปเถอดทีนี้บุคคลนี้เป็นผู้อันอุปทิผูกไว้ คือพกขันผูกไว้กิเลสผูกไว้เจตนากรรมก็ผูกไว้กรรมะคุณก็ผูกไว้ทําให้ ส, สยบให้ต้องโทษในสิ่งเหล่านั้นทุกเย็ยนตายกับสิ่งเหล่านั้นเออี่เนี่ยโดนโหยับเยินหมดเ น, นะานนะโยมบางคนเนาะเพราะเราแสวงหาผิดมาตลอดนนในสังสารวัฏที่ผ่านมาใช่ไหมนั่นมาก็แสดงแสวงหาผิดพลาดมาตลอดในสังสารวัฏต่อไปตั้งอัตยาสายใหม่จะไม่แสวงหาสิ่งเหล่านี้แล้ว ขอเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมได้พบพุทธพุทธศาสนาได้ฟังธรรมของพระศาสดาใช่ไหมขอให้เกิดทันพระบรมศาสดาเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งศาสนาของพระศาสดาใช่ไหมขอให้เป็นขอให้เป็นมนุษย์ใช่ไหมมีเพศบริสุทธิ์ใช่ไหมได้บไร้ชาอุสมบทใช่ไหมนี่นแหละแล้วปรารถนาตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็รักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งศาสนาของพระศาสดาด้วยถ้าปรารถนาอย่างนี้พ่อไม่ต้องการแสวงหาลูกไม่ต้องการแสวงหาเมีย ไม่ต้องการแสวงหาคนใช้หญิงคนใช้ชายนะเพราะสิ่งเหล่านี้มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ต้องการแสวงหาแพะแกะลาช้างมาวัวปลาไหวตัวเหล่านี้ใช่ไหมไม่ต้องการแสวงหาเงินทองอีกแล้วเพราะแสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็คือแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาที่มีความแก่เป็นธรรมดาที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาที่มีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดายังไงมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดามีสังิเลตเป็นธรรมดาโหเสียหายมากเลยใช่ไหมจ๊ะ สแ weiß, e. สวงหาผิดมันยาวนานแล้วความเกิดเป็นธรรมดาก็เขาบอกว่าให้ต้องโทษในสิ่งนั้นตัวเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดายู่แล้วมีความแก่มีความตายมีความวิบัติพัดภาคเป็นธรรมดาเราก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายวิบัติพัดภาคเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายอะไรเราเรียกว่าสิ่งสิ่งมีความแก่เป็นธรรมดา ลูกเมียมีความแก่เป็นธรรมดาอะไรไปตามระดับก็อะไรเราสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดากับลูกเมียมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเป็นถึงทรัพย์สิเงินทองอะไรเราเป็นมีมีความตายเป็นธรรมดานั่นแหละลูกและเมียมีความตายเป็นธรรมดาจนถึงทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นเน่ยก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความตายกันอยู่อย่างเงี้ยอะไรเราเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีความเศร้าโศกเป็นธรรมดามีลูกมีเมียเศร้าโศกเป็นที่ตั้ความเศร้าโศกเงินทองเป็นที่ตั้ความเศร้าโศกไหม ทรัสมบัติทั้งหลายไปที่ทั้งความเศร้าโศกสแสวงหาตาหูจมูกลิ้นกายใจอะเศร้าโศกนะมก็ไปโศกกับมันอยู่นี่แหละหยุดสแสวงหาได้แล้วใช่ไหมคิดหยุดอย่างเดียวได้ไหมได้ไหมคิดจะหยุดนล้วจะหยุดแล้วจะหยุดแล้วดได้ัหมไม่พอหรอกมันต้องวิจัยมันต้องไขควณต้องพิจารณามันต้องเกิดขึ้นอย่างปัญญาที่รอบรู้ในการที่จะออกจากมันไม่ใช่โอ้เอางี้ก็อุ้ยไม่เอาแล้วกายไม่ไปวาจาไม่พูด ใจคิดใหญ่เลยใช่มไหมหวางแผนใหญ่เลยตรนะี้นั่นมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาใช่ไหมภิกษุพุทธเจ้าตรัสนี้พุทธพจน์นะอะไมาเล่า อ, อ่างพุทธพจน์เดี๋ยวเราไปเชื่อเราชอบสงสัยสิ่งที่มันไม่น่าสงสัยกันเนาะในสังสารวัฏที่ผันมาภิกษุทั้งหลายอะไรเราเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาลูกเมียมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาคนใช้หญิงคนใช้ชายแล้วก็ ไก่สุกรช้างปัวม้าลามีว่ามเงินได้ทองกับมีความเศร้ามองเป็นธรรมดาก็ยังสแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้ามองเป็นธรรมดาพิกูจทั้งหลายนี่แหละเป็นการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐสรุปเลยเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่เป็นการสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐเพราะแสวงหาด้วยตัณหาสแสวงหาด้วยราคะแสดงสแสวงหาด้วยมานะแสวงหาด้วยทิฏฐิเนาะแสวงหาผิด อีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบว่าการแสวงหาที่ไม่สมควรเนี่ยอนเนศนาทั้งหมดที่เป็นไปอย่างนี้คือฆาประการนะได้อํานาจแห่งการโกหกด้วยอาจแห่งการส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจอเป็นต้นเหล่านี้นะด้วยอํานาจแห่งอาโครจรนะด้วยการทําเวชกรรมเป็นต้นของพระนี่เนี่ยไม่ประเสริฐเลยนะถ้าสมมตินะอาจจมาโกหกเลี้ยงชีพ เอามาก็โอ้ยทำเวชกรรมเลยทำยากแจกยาเยอะเอาก็อาดูหมอสมมตินี้นะมาไปรับกินเงี้ยถ้าเอามาเพี้ยนไปอย่างนั้นนะไปตั้งมนุษยสิการได้ถ้านรุเนี้ยเพี้ยนแล้วสร้งหาไม่ประเสริฐแล้วใช่ไหมถ้ามาไปทําเองว่าวันนี้เอามาอาจจะมีสติสัมปชัญญะวันใดวันหนึ่งกรรมบางอย่างมันจะไปผลักดันเนอามารุ่มหลงอะไรใช่ไหมไปไมาเอ๊ะแต่ก่อนเรีนสอนพระไตรปิดก พูดมาท่องพุทธเจ้ามาเดี๋ยวนี้ทําไมไปขนาดนั้นเลยมยุ่งเลยน่ากลัวไม่กรำเนี่ยไม่รู้จะผลิตวิบากให้เมื่อไรก็รู้ความเป็นบุตรชนเนี่ยยามที่ยังไม่เลือ่อนเชื่อถือกันได้ถ้าเลือ่อนเมื่อไรเดินหนีนะอย่าไปอยู่ใกล้เอาแน่นอนไม่ได้บุตรชนมีกติที่ไม่แน่นอนใช่ไหมมีทิทางเดินไม่ค่อยแน่นอนหรอกสูงสูงต่ําๆแต่เราจะต้องออกจากมันให้ได้ต้องตั้งอัตยาศัยอย่างนั้นออกจากความเป็นบุตรชนให้ได้ เพราะความเป็นบุรุษชนเนี่ยเป็นที่มาของความหนาแน่นของราคะโทสะโมหะนั่กรุ้มก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมคิดอย่างนี้ทุกวันไหมแต่คิดทุกวันเนี่ยใช้ได้นะแต่คิดไม่ค่อยทุกวันจะยุ่งเลยเนี่ยภิสูจทั้งหลายส่วนการแสวงหาที่ประเสริฐเป็นชนิดพิสูจ์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ตัวเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเนาะอยู่แล้วเห็นโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเห็นบ้างไ้มตอนเนี้ยก็แสวงหานิพพานที่ไม่มีความเกิด เป็นที่กเกษมจากโยคะคือกิเลสที่ประกอบสารพิษติดไว้ในก็ ว, วัาแตทุก์นก็คือว่าไม่มีการมาโยคะเพราะว่าโยคะที่ถีโยคะแล้วอวิชาโยคะแล้วย่อมแสวงหานิพพานที่เป็นที่กเกษมจากโยคะทั้งหลายอันเป็นที่ยอดเยี่ยมตัวเองก็มีความแก่เป็นธรรมดาตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาตนเองมีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดา มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดามีสังกิเลตเป็นธรรมดาไม่สแสวงหาสิ่งเหล่านี้เลยสแสวงหาพระนิพพานถ้าไม่มีที่ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีความโศกไม่มีความเศร้าหมองไม่มีสังกิเลตสภาพของพระนิพพานนั้นกเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยมเทกสูทั้งหลายนี่เรียกว่าเป็นการสแสวงหาที่ประเสริฐใจใจเราน้อมแบบนี้จริงไหย แล้วก็ไปพิจารณาในชีวิตของเราท่านทั้งหลายที่กำลังเดินกันอยู่เนี่ยยีมมงคนตอนนี้ต้องการแสวงหาความเกิดไหมความแก่อะความเจ็บอความตายความโศกความล่าไรลําพันธุ์ไม่ต้องการแล้วนะก็แสวงหาสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือพระ น, นิพพานพระนิพพานเนี่ยพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายความโศกความล่าไรลําพันธ์แล้วก็เป็นสภาพที่กเกษมจากโยคะทั้งหลาย กิเลสทั้งหลายคือราคาโทสะโมหะเพราะเราถูกกิเลสประกอบพิติดอยู่ในวัตฏะทุกข์ไหมทีนี้อีกอย่างหนึ่งส่วนการเว้นจากการกระทา5ห้าประการคือการโกหกและโครจรเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวเรื่องการแสวงหาที่ไม่สมควร21อย่างรายละเอียดตรงนี้ไปดูในคำพีวิสุดิมาให้หมายจะไม่เดินมาแล้วพตรงนี้จะไปไกลเลยตรงนี้ถ้าไปเอาเกี่ยวกับโครจรมา อโคจรหกก็ดีการเว้นห้าประการก็ดีสแสวงหาสิ่งที่ไม่สมควรยี่สิบเอ็ดอย่างการให้เวชพัณฑ์การให้ใบไม้เป็นต้นอะไรเนี่ยอันนี้มันมันเป็นเรื่องยาวเลยตอนเนี้ยนะแต่พระท่านจะรู้รยายละเอียดเพราท่านเรียนมาแล้วสงสัยถามท่านมหาอำนาจท่านแปลมันท่านแปลสีลนิเทศจบด้วยสมาธินิเทศก็จบจบมดแล้วนี้ยเนี่ยเลยก็เรียกแปลวิสุทธิมรรคแต่ตอนนี้กํลาลังจะแปลเป็นญานิเทศอยู่เห็นไหม พรเดี๋ยวนี้หลักสูตรเรียนเก้าวก็ไม่แปลใช่ไหมเขาไม่ได้แปลปัญญานิเทศไม่เหมือนแต่ก่อนทีนี้ก็ตัดในส่วนของปัญญานิเทศเอาไว้แต่อนี้ท่านท่านเรียนจบมาแล้วบอจะต้องแปลปัญญานิเทศเพราะกลัวอะไรใช่ไหมกลัวว่าจะไม่มีปัญญากลัวว่าจะไม่มีปัญญาเลยต้องแปลปัญญานิเทศก็สําหรับในเรื่องมารยาททางกายนี้มารยาทใดๆที่พระบรมศาสดาตรัสว่าไม่พึงเสกมารยาทนั้นต้องต้องอยาเสก ต้องอย่าเสพได้เด็กขาดเข้าใจน้ะถ้าพระพุทธเจ้า บ, บอกว่าอย่าเนี่ยนะไม่พึงเสพเนี่ยนะก็ต้องอย่าเสพตั้งแต่เวลาแสวงหาสัมภาระทั้งหลายการทําความพยายามและการไปในส่วนเบื้องต้นของการฆ่าเป็นต้นทีเดียวนอกนี้พึงเสพตั้งแต่ต้นผู้ที่ไม่สามารถที่จะพึงกระทําแม้แต่เพียงจิตให้เกิดขึ้นคิดเอาก็ได้ก็หมายความบอกว่าถ้า ถ้าเรายังเสพเกี่ยวกับเรื่องของกายสมาจ า, า ร, าท ร, าราท์ที่ควรเสพวิจีสมาจารที่ควรเสพและการแสวงหาที่ยังที่ควรเสพถ้ามันยังทําไม่ได้คิดก่อนคิดวบ่อยๆเขาอยากอยางคิดออกอ่ะนะให้ตรึกให้คิดเกีดคิดเอานะต้องไม่เสพมารยาททางกายที่เหมือนกับพระเทวทัศน์เป็นต้นพระเทวทัศ์พระโกกาลิกาเป็นต้นแล้วเนี่ยนะนะหรือกลุ่มพระฉับพักคีทั้งหลายตรเนี้ยที่ท่านเป็นมีพวกโกเนี่ยนะนะ ที่ท่านเสพกายจสมาจาร์ที่ผิดผิดพลาดาทั้งหลายต่างๆแต่ต้องเสพมารยา ท, ทางกายเหมือนกับใครดีเหมือนกับภาษาลิบุตรเว้นนั่นแหละเอาปฏิปทาข้อปฏิบัติของภาษาลิบุตรเว็นข้อคิดเอางี่นะลองดูว่าเวันภาษาลิบุตรเนี่ยเวลาท่านหอมยีวรนได้ไหมท่านก็เดินเดินเดินไปถ้ามีสามเณรมาทักท่านบอกว่าท่านอาจารย์หอมยีวอไม่เรียบร้อยท่านรีบเดินออกเลยนะขนาดเน้นนะ แต่นอกนกแล็หอมใหม่อาหารมาถามเลยท่านอาจารย์แบบนี้เรียบร้อยดีไหมครับเนี่ยแต่อย่างาาาเงี้ยรเรียกอย่างเงี้ยกายสมาจารในเนาะหรือเยี่งอย่างท่านพระราหุลเนี่ยนะมีเขาทดลองเขาโยนไม่กวาดไว้เต็มพอมาไปเสร็จเอเนี่ยหลงท่านราหุลเนี่ยกวาดแล้วไม่เก็บขอโทษครับท่านรีบเก็บเลยถ้าอย่างเราโอ้โห ทังกายสม า, ายานจีสมาจารคลานเลยเราไม่ได้ทำเห็น ไ, ไหมอธิบายเป็นเรื่องเวลาไม่ได้มาตรงนี้เลยเนี่ยเพิ่งจะมาเนี่ยทําไมมาใส่ไล่กันกันอ่ะนี้โอ้อธิบ า, ย, บ ย, า ย, ยความใหย่เลยเยอะไหมทิ้งไม่ยอมบางคนสมมติเราไปบ้านภรรยาก็บอกนี่คุณไม่ทํารกอย่างเนี่ยวันนี้ไปฟังทำทั้งวันนะกว่ากันจะมาทําให้รกได้ยังไงวะกันเนี่ยเทียงใหญ่เลยอันนี้เขาเรียวกว่าวจีสม า, ายานที่ไม่ปวดเสพบกายสมาจานก็มีปวดเจ็บนะ ก็มาก็รีบเก็บขอโทษนะทําได้ไหมไปฝึกใหม่อย่างเงี้ยมันก็ฝึกทําอย่างเงี้ยถ้ามันยังทําไม่ได้ก่อนคิดไปก่อนคิดคิดคิดคิดคิดไปเรื่อยๆฝึกขัดขัดกลาไปเรื่อยๆเขาจะยังวิธีการขัดกลาในาศาสนาอย่าไปคิดว่าโอ้ทยทำไมพุทธิยถาให้เราทํำขนาดนั้ น, นนะถ้าถ้ากายการรมวิจิกรรมไม่ขัดกลาวการแสวงหาไม่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยศีลจะตั้งยังเอสมาธิสมถะและวิปัสสนาจะตั้งอยู่ตรงไหนไม่มีที่ตั้ง ใช่ไหมถ้ากายสมาจารวิจีจวิสวิจีสมาจารและการแสวงหาไม่บริสุทธิ์ไม่ต้องพูดเรื่องปานิโมสังวรสีเออขอไปไม่ต้องพูดถึงอินเดียสังวรสีเพราะอินทรีย์สังวรจักบริบูรณ์ไม่ได้ในข้อต่อไปเนี่ยถ้ากายสมาจารวิจีสมาจารการแสวงหาไม่ประเสริฐนะอินทรีย์สังวรจะไปตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่บนอากาศ อ, อินทรีย์สังวรจะตั้งตรงไหนก็ตั้ง